2พยสูรว่าด้วยไพเวนครั้งนั้นแหละอนาถปิณิกขะข้าบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถปิณิกขะข้าบดีดังนี้ว่าข้าพดีเมื่อใดอริยสาวกรรงับไพเวนห้าประการได้แล้วประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการ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 บุคคลผู้เว้นคาจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเว้นนั้นได้อย่างนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ละถึง 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาลสม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตแห่งความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัย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 บุคคลผู้เว้นขาจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระงับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้อรรีสาวกระงับภัยเวรห้าประการเป็นอย่างนี้แหลอรรีสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอะไรบ้างคืออรรีสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเป็นอย่างนี้แลอริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น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 เพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโซกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปาญาตจึงดับกองทุกทั้งมวลนี้มีความดับด้วยอาการอย่างนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แล เมื่อใดอริยสาวกรังภัยเวนหประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยยญาธรรมนี้แลด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีคำเนิดสัตว์ติระชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกขติและวินิบาสสิ้นแล้ว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 ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฐิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบิณิกะฆ้าบดีได้ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะนั้นแลอนาถบิณิกะข้าบดีได้มีความคิดว่า ยังไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญาเดรถีปริภาชก ค, ครั้งนั้นแหลอนาถบิณกะห้าบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรถีปริภาชกสมัยนั้นแหลพวกอัญญะเดรถีปริภาชก กำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดเอิงนั่งสนทนากันถึงติราชานกถามีประการต่างๆได้เห็นท่านอนาถบิณกะข้าบดีผู้กําลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยอนาถบิณกะข้าบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกาลังเดินมายังอารามอนาถบิณกะข้าบดีนี้ เป็นสาวุคคนหนึ่งบรรดาเคระห์ผู้นุ่งห่มผ้าข า, ขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จะสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญะดิรฐีปริภาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้น อนาถบิณกะข้าบดีเข้าไปหาอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นจึงถามว่าข้าบดีขอท่านจงบอกเถิดพระสมณโคโดมมีทิฏฐิอย่างไรอนาถบิณิกะข้าบดีตอบว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเลยเอาเถิดท่านข้าบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคดมขอท่านจงบอกเถิดพวกพิกษุมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพิกษุทั้งหลายเลยเอาเถิดท่านข้าบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณโคดม ทั้งไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของผู้พิสูจ์อย่างนี้ท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฐิอย่างไรท่านผู้เจริญไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฐิอย่างใดเชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิของตนก่อนเถิดไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฐิอย่างใดในภายหลังเมื่ออนาถาปินิขะข้าพดีกล่าวอย่างนี้แล้ว ปริพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถาเบนิกะข้าบดีว่าขหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงปริพาชกคนหนึ่งกล่าวกับอนาถาเบนิกะค้าบดีว่าขหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแม้ปริพาชกอีกคนหนึ่งก็กล่าวกับอนาถาบนิกะ้าบดีว่า โลกมีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโลกไม่มีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชี่วะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชี่วะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถปิณิกขาข้าพดีจึงได้ ก, กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ท่านผู้ใดกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าข้าบาดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเทียมนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนุษการโดยไม่แยบคลายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แหลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วแม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนุษการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์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 หลังจากตายแล้วท่าทางคดเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วท่าทางคดเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนุษย์การโดยไม่แยบคายเป็นเหตุหรือเพราะคําพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฐินี้แหลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น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 ขอท่านจงบอกเธอท่านมิทิฏิอย่างไรท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้ามิทิฏิอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราข้าพอดี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 สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความเป็นจริงเมื่ออนาถปินิกะข้าพดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้า โตอตอบไม่ได้อนาถบิณิกะขะบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโตอตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญญเดรธิปริพาชกเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละข้าพดีท่านสามารถข่มโมฆะบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้อนาถินิขะข้าพดีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้ว อนาถบิณิกะฆ่าบดีก็ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่ออนาถาบิณกะฆ่าบดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดโบดได้ร้อยพันษาในธรรมวิ น, นัยนี้แม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มพวกอัญญาเดรถีปริพาชกได้อย่างแนบเนียน โดยชอบทำอย่างนี้เหมือนอนาถปิณิกะข้าพดีข่มได้แล้วกิงทิฏกะสูตรที่สจบ 4. วชัชยยะมาหิตะสูตรว่าด้วย วชิยมามหิตะค้าบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งสะคคราโบครณีเขขรุงจำปาครั้งนั้นวชิยมามหิตะค้าบดีออกจากกรุงจำปาแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่ ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเล้นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญาเดรถีปริภาชกครั้งนั้นแหละวชิยามหิตะฆะบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญยาเดรถีปริภาชกสมัยนั้นแหลพวกอัญญาเดรถีปริภาชกกาลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดเอิง นั่งสนทนากันถึงติระชา น, นักถามีประการต่างๆได้เห็นวชิยมามหิตตะคหบดีผู้กาลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยวชิยมามหิตตะคหบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกาลังเดินมายังอารามวชิยาหิตตะคะบดีนี้ เป็นสาวกคนหนึ่งบรรดากระหดผู้นุ่งห่มผ้าข า, ขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงจำปาพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จะสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญะดิริถีปริภาโชคเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้น วจียมาหิตะข้าบดีเข้าไปหาัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นจึงถามว่าขหบดีในว่าพระสมณโพดมทรงติเตียนตะบะทั้งหมดกล่าวโทษผู้มีตบะเลี้ยงชีพเศร้ามองโดยส่วนเดียวจริงหรือ วจียะมาหิตาข้าบดีตอบว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงติเตียนตาบะทั้งหมดก็หามิได้จะได้กล่าวโทษผู้มีตบะทุกคนผู้เลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวก็หามิได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตาบะที่ควรติเตียนสันเสริญตาบะที่ควรสรนเสริ ญ, เ, ญเมื่อทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนสันเสริ ญ, ส, ญรสิ่งที่ควรสันเสริญจึงชื่อว่า วิพัชวาทีมีปกติตรัสจมแนกในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคมิใช่เอกังสวาทีมีปกติตรัโดยส่วนเดียวเมื่อวชัชย์มาหิตะฆาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกคนหนึ่งจึงได้กล่าวกับวชัชย์มาหิตะฆาบดีดังนี้ว่าประเดี๋ยวก่อนฆาบดีพระสมณะโคโดมผู้ที่ท่านสรรเสริญเป็นผู้แนะนําในทางฉิพหาย เป็นผู้ไม่มีบัญญัติท่านผู้เจริญแม้ในเรื่องนี้เขาพระเจ้ากล่าวกับท่านทั้งหลายโดยชอบธรรมพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่านี้กุศลนี้อักุศลพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงบัญญัติกุศลและอกุศลอย่างนี้จึงชื่อว่าทรงมีบัญญัติมิใช่ผู้ทรงแนะนําในทางฉิบหายไม่ใช่ผู้ไม่มีบัญญัติเมื่อวัชียมาหิตตาข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้ว ปริพาชกทั้งหลายพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโต้ตอบไม่ได้วชิยามาหิตาข้าบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโต้ตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละข้าบดีท่านสามารถข่มโมคะบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมเราไม่กล่าวตบะทั้งหมดว่าควรบำเพ็ญหรือไม่ควรบำเพ็ญ เราไม่กล่าวการสมาทานทั้งหมดว่าควรสมาทานหรือไม่ควรสมาทานเราไม่กล่าวความมุ่งมั่นทั้งหมดว่าควรมุ่งมั่นหรือไม่ควรมุ่งมั่นเราไม่กล่าวการสลละคืนทั้งหมดว่าควรสลละคืนหรือไม่ควรสลละคืนเราไม่กล่าวความหลุดพ้นทั้งหมดว่าควรหลุดพ้นหรือไม่ควรหลุดพ้นตะบะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่อกุโสนธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปตบะเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรบำเพ็ญส่วนตบะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นตบะเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรบำเพ็ญการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่กุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่า ไม่ควรสมาทานส่วนการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่กุนธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุนธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสมาทานความมุ่งมั่นใดเมื่อบุคคลมุ่งมั่นอยู่กุนธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุนธรรมทั้งหลายเสื่อมไปความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรมุ่งมั่น ส่วนความมุ่ง ม, มั่นใดมมนนเมือ่อบุคคลมุ่งมั่นอยู่อกุณธรรมเสื่อมไปกุณธรรมเจริญยิ่งขึ้นความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรมุ่งมั่นการสละคืนใดเ ม, มื่อบุคคลสละคืนอยู่อกุณธรรมเจริญ <ihrem> ย <hn> ิ่งขึ้นคุณธรรมเสื่อมไปการสละคืนเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรสละคืนส่วนการสละคืนใดเมื่อบุคคลสละคืนอยู่ กุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นการสละคืนเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสละคืนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรหลุดพ้นส่วนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้น ความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรหลุดพ้นลำดับนั้นแหละวชิยามาหิตะฆาปดีผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไป เมื่อวชัชยยะมาหิตะข้าปดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีทุลีคือกิเลสในในตาน้อยตลอดกาลนานแม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มอัญญะิรธิปริภาชกทั้งหลายได้อย่างแนบเนียนโดยชอบรมอย่างนี้เหมือนวชัชยยมาหิตะข้าปดีข่มได้แล้ว วัชยมามหิตสูตรที่สี่จบ 5. อุติยะสูตรว่าด้วยอุติยะปริภาชกทูลถามพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแล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 ก็กล่าวว่าอุตยะข้อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราไม่ตอบเมื่อ <buena> ถ <Holiday> ูกถามว่าท่านพระโคดมโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือก็กล่าวว่าอุตยะแม้ข้อว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบเ <un> <im> มืเ่มอถูกถามว่าท่านพระโคดมโลกมีที่สุด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 นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบท่านพระโคโดมจะตอบในทางไหนอุตยะเราแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวลวงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยธรรมเพื่อทานิพพานให้แจ้ง ข้อที่ท่านพระโคโดมได้ทรงแสดงทำแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั้นก็จะเป็นเหตุให้สัตว์โลกทั้งหมดหรือเกึ่งหนึ่งหรือสามส่วนออกไปจากทุกข์ได้หรือเมื่ออุติยะปริพาชกทุนถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสีย ลำดับนั้นแลท่านพระอาหน์มีความคิดอย่างนี้ว่าอุตยปริภาชกอย่าได้มีมิชาทิฐิอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคโดมถูกเราถามปัญหาเฉพาะหน้าทั้งหมดย่อมเลี่ยงไม่ทรงวิสัชนาหรือไม่สามารถวิสัชนาแน่นอนเพราะมิชาทิฐินั้นจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่เธอลำดับนั้น ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกับอุติยะปริภาชคว่าอุติยะผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นเราจะอุปมาแก่ท่านบุคคลผู้รู้บางพวกในโลกนี้ย่อมรู้อาจแห่งพาสิทธิได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนนครของพระราชาที่ตั้งอยู่ชายแดนนครนั้นมีป้อมมั่นคงมีกำแพงและประตูมั่นคงมีประตูเดียวนายประตูในนครนั้นเป็นบัณฑิต ฉลาดมีปัญญาห้ามคนที่ไม่รู้จักให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกำแพงโดยรอบนครนั้นไม่เห็นที่ต่อกำแพงหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงช่องที่แมวออกได้และเขาก็ไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าสัตว์มีจานวนเท่านี้เข้ามายัางนครนี้หรือออกไปจากนครนี้โดยที่แท้เขามีความรู้ในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า สัตว์ใหญ่ๆบางเหล่าที่เข้ามายังนครนี้หรือออกไปจากนครนี้ทั้งหมดเข้ามาหรือออกไปทางประตูนี้แม้ฉันใดพระตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมิได้ทรงมีความขนขวายอย่างนี้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามส่วนจัะออกจากทุกได้โดยที่แท้พระตถาคตทรงมีพระญาในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ออกไปแล้ว กำลังออกไปหรือจักออกไปจากโลกสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดละนิวรห้าประการที่เป็นเครื่องเศร้ามองแห่งใจเป็นเครื่องบันทอนกาลังปัญญาเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปทานสเจริญโพชทชงเจตตามความเป็นจริงแล้วจึงออกไปกําลังออกไปหรือจักออกไปจากโลกอย่างนี้ท่านอุตยะกก็เพราะท่านได้ทูลถามปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุอย่างอื่น ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงต่อปัญหานั้นแก่ท่านอุติยสูตรที่หจบ 6. โกกนุทสูตรว่าด้วยโกกนุทธปริภาชกถามพระอานนท สมัยหนึ่งท่านพระอนนท์อยู่ณนะตะโปธารามเขตกรุงราชครึได้ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งเข้าไปยังแม่น้ำตะโปธาเพื่อเอาน้ำลูบตัวเสร็จแล้วกลับขึ้นมาครองผ้าผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่แม้โกกนุษย์ปริภาชกก็ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งได้ไปยังแม่น้ำตะโปธาเพื่อเอาน้ำลูบตัวเห็นท่านพระอนนท์เดิน ม, มาแต่ที่ไกลจึงถามว่า ท่านเป็นใครอยู่ที่นี้ท่านพระอานนนตอบว่าผู้มีอายุเราเป็นภิกษุเป็นภิกษุพวกไหนพวกสมณะสักยะบุตรหากท่านจะให้โอกาสแก้ปัญหาข้าพเจ้าขอถามข้อข้องใจบางอย่างกับท่านเชิญถามเถิดเราฟังแล้วจกแก้ท่านมีทิฏฐิอย่างนี้หรือว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงผู้มีอายุ เราไม่ได้มีทิฏฐิอย่างนั้นเลยว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านมีทิฏฐิอย่างนี้หรือว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างเอื่นไม่จริงเราไม่ได้มีทิฏฐิอย่างนั้นเลยว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านมีทิฏฐิอย่างนี้หรือว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน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 ท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นละสิผู้มีอายุเราไม่รู้ไม่เห็นก็หามิได้เรารู้อยู่เห็นอยู่ท่านเมื่อถูกข้าพเจ้าถามว่าท่านมีทิฐิอย่างนี้หรือว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็กล่าวว่าผู้มีอายุเราไม่ได้มีทิฐิอย่างนั้นเลยว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมือ่อถูกถามว่า ท่านมีทิฏฐิอย่างนี้หรือว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็กล่าวว่าผู้มีอายุเรามิได้มีทิฏฐิอย่างนั้นเลยว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อถูกถามว่าท่านมีทิฏฐิอย่างนี้หรือว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกัน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 ท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นละสิก็กล่าวว่าผู้มีอายุเราไม่รู้ไม่เห็นก็หามิได้เรารู้อยู่เห็นอยู่ผู้มีอายุก็เนื้อความแห่งพาสิทธนินี้จะพึงเข้าใจได้อย่างไรท่านพระอานุนตอบว่าผู้มีอายุข้อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งข้อว่าโลกไม่เที่ยง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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งผู้มีอายุทิฏฐิมูลเหตุแห่งทิฏฐิทิฏฐิที่ยึดมั่นทิฏฐิที่กลุ่มรุมความเพิกถอนทิฏฐิมีประมาณเท่าใดเรารู้เราเห็นทิฏฐิเป็นต้นนั้นประมาณเท่านั้นเรารู้ทิฏฐิเป็นต้นนั้นจึงกล่าวว่ารู้อยู่ เราเห็นทิฐิเป็นต้นนั้นจึงกล่าวว่าเห็นอยู่เราจะกล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรผู้มีอายุเรารู้อยู่เห็นอยู่ท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเรียกท่านว่ายอย่างไรผู้มีอายุเราชื่ออานน์และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็เรียกเราว่าอานนนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสนทนาอยู่กับอาจารย์ใหญ่ แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นท่านอานนท้าข้าพเจ้าจะพึงรู้ว่าท่านผู้นี้คือท่านอานนข้าพเจ้าก็จะไม่กล่าวตอบโต้ถึงเพียงนี้ขอท่านอานนจงยกโทษให้ข้าพเจ้าเถิดโกกันุทัสสูที่หจบ